เรื่องพระวังคีสะเทระพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระวังคีสะเทระได้ยินว่าวังคีสะราหมณ์เป็นนักทํานายคนหนึ่งในกรุงราชฤๅษเคาะกะโหลกศรีรษะมนุษย์ที่ตายแล้วก็รู้ได้ว่านี่เป็นศรีรษะของผู้เกิดในนรกสวรรค์จัตเดอร์ฉานเปรตหรือเกิดในมนุษยโลก เขาเที่ยวไปหากินดังนี้ได้กะหาปณ ะ, ะคือเงินตามกำลังวันหนึ่งเขาเห็นมหาชนทั้งหลายเดินทางมุ่งหน้าไปสู่วิหารเพื่อฟังธรรมอยากรู้ว่าพระสัสดาจะมีความรู้เท่ากับตนหรือไม่พระสัสดาทรงทราบว่าชนเหล่านั้นมาจึงรับสั่งให้นำกะโหลกศีรษะห้าศีรษะคือสัตว์ผู้เกิดในนรกเดรัจฉานมนุษย์และเทวโลก กับกะโหลกศีรษะของพระขีณาสกคือพระอรหันต์แล้วให้วังคีศพรามทานายเขาเคาะดูแล้วทานายถูกต้องสี่กะโหลกเป็นของสัตว์นรกเดรัจฉานมนุษย์และเทวดาส่วนอีกหนึ่งเขาไม่รู้ที่เกิดพระศาสดาตรัสว่าพระองค์ทรงรู้เพราะมีวิชาถ้าอยากเรียนต้องบวช วังคีศะอ้อนวอนขอเรียนวิชาแด่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ให้เขาบวชแล้วให้สาธยายมนบริกรรมมนต่อการไม่นานเพียงสองถึงสามวันบรรลุอรหัตอย่าลืมนะครับว่าท่านสาธยายด้วยความเข้าใจแปลออกท่องและนอนพิจารณาธรรมจนบรรลุธรรมไม่ใช่สักแต่ว่าท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองและคิดว่าเป็นคาถาที่ขลังนะครับ พระศาสดาทรงตรัสว่าผู้ใดรู้จุติละอุบัติของสัตว์ทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเราเรียกผู้นั้นซึ่งเป็นผู้ไม่คล่องไปดีเป็นผู้รู้แล้วว่าเป็นพรามเทวดาคนทันและหมู่มนุษย์ยอมไม่รู้คติที่ไปเกิดของผู้ใดผู้ใดรู้แล้วเราเรียกผู้ซึ่งมีอาสวะสิ้นแล้วผู้ไกลาจากกิเลสนั้น ว่าเป็นพรามอธิบายคำว่าเป็นผู้รู้แล้วคือเป็นผู้รู้อริยสัจ ท, ทั้งสี่รู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกรู้ความดับทุกและหนทางไปสู่ความดับทุกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนดับไปเป็นธรรมดาเหตุเกิดผลเกิดเหตุดับผลดับ ทุกเกิดเพราะสมุทัยคือตัณหานิโรธเกิดเพราะเจริญอริยมรรคอริยมรรคทางสายกลางๆงได้แก่ศีลสมาธิปัญญาผู้รู้แล้วด้วยปัญญาวิปัสนาญาณรู้ความเกิดความดับของโลกคือรูปธาตุนามธาตุแต่นิพพานธาตุไม่มีเกิดไม่มีดับอยู่เหนือเกิดเหนือดับ เราจะเข้าไปประจักษ์ชัดหรือไม่เขาก็มีอยู่อย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้แล้วเสื่อมสลายไปในที่สุดไม่อยู่ในอำนาจของใคร